พวกเราถวายเจตุปัจจัยไปเมื่อวานนี่นะถวายจตุปัจจัยไปเมื่อวานถวายพระสงฆ์ทั้งหมดไปหมดไป35มแ0 5, 0ห้านะสามแสนกว่าบาททั้งชีด้วยแล้วก็เจตุปัจจัยที่ได้มาเมื่อวานนี้ก็ได้ 0,000 นกว่าบาท00แสนกว่าบาทหลวงพ่อไม่ได้หักค่าใช้จ่ายก็เอาเข้าบัญชีบัญชี J จดีทั้งหมดให้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 มีปัญญานะรังท้ายมีปัญญาที่ตรวจตราวิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆถ้าคนใช้ปัญญาแล้วมันไม่เกิดลเลยลงพอไม่เกิดก็ใช้เท่ามันมีนะนะั่นแหละเรามีสตางค์น้อยเราก็ใช้เท่มันน้อยนละดีกว่าซื่อบื้อไม่ใช้ไม่รู้จักใช้อะไรเลยมันก็ยิ่งไม่มันก็ยิ่งไม่มีใช่ทามันไม่มีกันเราก็ต้องสศวแสวงหาดิไม่มีปัญญาเพราะอะไร